ความต้องการหรือกิจกรรมนั้นไม่ใช่เรื่องของตัญหาประการที่สองข้อความว่าตัญหานำไปสู่การสแสวงหาฉันทะทำให้เกิดการกระทำนี้เป็นจุดสําคัญที่จะให้เข้าใจความแตกต่างระหว่างตัญหากับฉันทะได้ชัดเจนเป็นขั้นออกสู่ปฏิบัติการ และเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีผลในทางจริยธรรมเป็นอย่างมากจึงจะหันมาพิจารณาการที่จุดนี้ต่อไปดังได้กล่าวแล้วว่าตัณหาต้องการสิ่งที่จะเอามาเสพเสวยเวทนาความสมประสงค์ของตัณหาอยู่ที่การได้สิ่งนั้นนั้นมาวิธีการใดก็ตามที่จะให้ได้สิ่งนั้นมาเรียกเป็นคาเฉพาะในที่นี้ว่าการสแสวงหาหรือปริเยสนา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 การกระทำคือการอ่านเป็นเหตุและการได้ความรู้เป็นผลตามตัวอย่างทั้งสองนี้ถ้าพฤติกรรมของนายกอและหนูหน่อยเป็นไปตามตัณหานายกอย่อมต้องการเงินเดือนหาได้ต้องการความสะอาดของถนนไม่และเขาก็ย่อมไม่ต้องการทำการกวาดด้วยแต่ที่ต้องกวาดก็เพราะจำต้องทำเพราะเป็นเงื่อนไขที่จะให้ได้เงิน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 และเมทําให้เกิดความต้องการที่จะทำการกระทำเป็นเพียงวิธีการอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่จะช่วยให้การสแสวงหาสิ่งเสพเสวยสำเร็จรุลวงตามความต้องการของตัญหาตัวอย่างทั้งสองนั้นแสดงความหมายของชันทะชัดเจนอยู่ด้วยแล้วชันทะต้องการกุศลหรือต้องการตัวธรรมะต้องการภาวะดีงามหรือความรู้เข้าใจในความจริงแท้ ถ้ามีฉันทะในกอยอมต้องการความสะอาดของถนนและหนูหน่อยก็ต้องการความรู้ในหนังสือนั้นความสะอาดเป็นผลของการกระทาคือการกวาดถนนความรู้ก็เป็นผลของการอ่านหนังสือทั้งสองคนต้องการผลของการกระทาโดยตรงผลเรียกร้องเหตุคือชี้บ่งหรือกำหนดการกระทาเมื่อกระทาผลก็เกิดขึ้น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 ความต้องการที่จะทำหรือความอยากทำเข้าเป็นข้อเดียวกับกุสละันทหรือธรรมะฉันทะอ้างหลักฐานเพิ่มอีกแห่งหนึ่งจากดีกาแห่งวินัยปิฎกว่ากัตุกา ร, รมยตาลคโนกุสลชันโทแปลว่ากุสละันทะมีความต้องการจะกระทำเป็นลนะักษณะหรือแปลอย่างง่ายๆว่า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 แต่ตอนนี้เอาแค่รู้ว่าตัณหาคือต้องการเสพฉันทะคือต้องการธรรมะและต้องการธรรมคือกระทํา